วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส2บสองพฤษภาคมพุทธศักราชสอง2ห้าสบสองเป็นวันหยุดทำงานของสาธุชนพุทธบาิสัตว์เพื่อมีจิตศรัทธามีความเชื่อ มีภะษาทความเริ่มใสในพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอนประเสรศิฐต่อสัตว์โลกทั้งปวงได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ มาทําธุระของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้เพื่อเป็นประโยชน์สุขต่อผู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่หรือธุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับชาวพุทธนี้มีอยู่สอง หน้าที่สองทุระด้วยกันเรียกว่าหนึ่งคันธทุระสองวิปัสนาทุระนี่คือหน้าที่หรือทุระของชาวพุทธเราคันธทุระแปลว่าการศึกษาพอทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า วิปัสนาธุระแปลว่าการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดผลอันประเสรฐนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราธุระของชาวพุทธเรามีสองหน้าที่นี้หน้าที่ที่หนึ่งคือศึกษาพระธรรมคำสอน หน้าที่ที่สองคือปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องศึกษาก่อนจึงต้องมีการศึกษาก่อนถึงจะมีการปฏิบัติถ้ามีการศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็ยังไม่สามารถทำให้ผลประโยชน์อันสูงสุด ปรากฏขึ้นมาได้จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาก่อนเมื่อศึกษาแล้วก็ค่อยนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องผลนันเลิศอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้คือ หน้าที่ของชาวพุทธเราขั้นที่หนึ่งคือการศึกษาอย่างตอนนี้ท่านกําลังทําหน้าที่ขั้นที่หนึ่งอยู่คือการมาศึกษาเพื่อทําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไรกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราศึกษาคืออะไร สิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราศึกษาก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้นั่นเองได้ส่งค้นพบเพราะเป็นความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้มาก่อนและเป็นความรู้ที่จะทำให้สัตว์โลกทั้งปวงได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราศึกษาคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรตวคืออะไรก็คือพระอริยา ส, าสัจสพระอริยา ส, าสัจสแปลว่าความจรงิงอันประเสริฐอริยะแปลว่าประเสริฐอริยาสา์สัจ สัตแปลว่าสัจจะแปลว่าความจริงความจริงอันประเสริฐมีอยู่สข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกขสัจคือความทุกข้อที่สองเรียกว่าสัมมุทยัยสัจคือสัมมุทยัยต้นเหตุของความทุกขข้อที่สคือนิโรธสัจ เรียกว่าแปลว่านิโรธแปลว่าการสิ้นสุดของความทุกข์ข้อที่สี่เรียกว่ามรรคสัตต์หรือมรรคแปลว่าทางสู่การทางสู่การปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เรียกว่ามรรค มีอยู่สี่ข้ออริยสัจสี่ 4. เรียกสั้นๆว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะมาศึกษามาทำความรู้จักกันอริยสัจสี่นี้มีอยู่สี่ข้อแบ่งเป็นสองฝ่ายด้วยกัน ฝ่ายที่ทำให้สัตว์โลกต้องทุกข์ต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดและฝ่ายที่จะทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดฝ่ายที่ผูกมัดคือข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือทุกขกับสมุทยัยสมุทัย เป็นผู้สร้างความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์คืออะไรความทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันนี่เรียกว่าเป็นความทุกข์ไม่ว่าผู้ใดก็ตามถ้ามาเกิดแล้วจะต้องมาเจอกับความแก่ ความเจ็บความตายมาเจอกับความพัาดพลากจากกันพอเจอสิ่งเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นมาความสุขหรือความทุกข์ความทุกข์ไม่มีใครเลียงฉลองเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไป มีแต่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจกันนี่คือความทุกข์อริยศาสตร์ข้อที่หนึ่งคือทุกข์แะทุกข์นี้ทํายังไงเกิดขึ้นมาได้ไงการมาเกิดของพวกเรานี่มาเกิดกันได้ยังไงมาเกิดแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายต้องมาพัดพากจากกัน เกิดจากอะไรทำไมทําอะไรมาทําให้เรามาเกิดกันออพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงอริยศาสตร์ข้อที่สองว่าต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายของการพัดผ้ากจากกันก็คือสมุ ท, ทยัยสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกออขมก์มีอยู่สามข้อด้วยกัน ที่เป็นเหตุที่ทำให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายมาพัดพลากจากกันคือหนึ่งกามตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผธภพสองภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นสวิภวะตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายคือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่คืออริยสัจสองข้อที่เป็นฝ่ายทุกฝ่ายเวียนว่ายตายเกิด ส่วนอริยศัสตร์ข้อที่สามและข้อที่สี่นี้เป็นฝ่ายที่จะทำให้พ้นทุก์เป็นฝ่ายที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดลงอริยศัสตร์ข้อที่สามเรียกว่านิโรธศสตรหรือนิโรธแปลว่าการสิ้นสุดของความทุกข์หรือการหมดทุกขหรือการพ้นทุก เรียกว่านิโรดนิโรดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเหตุของนิโรธเหตุที่จะทำให้การพ้นทุกข์เกิดขึ้นได้นี่เรียกว่ามัสมัจแปลว่าการปฏิบัติหรือเป็นการการเดินไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์การปฏิบัติธรรมที่จะทำให้ผู้ที่ ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นต้องปฏิบัติอะไรก็ต้องปฏิบัติมรคคือสีนสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญานี้ก็ย่อมาจากสิมรคแปดนี้มรคมีองค์แปดแต่เพื่อความสะดวกเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นก็ทรงรวมเป็นสีนสมาธิปัญญา ปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมากมสัมมาสังกัปโปคือความเห็นชอบความดำริชอบเรียกว่าปัญญาส่วนสัมมากรรมโตการกะระทาชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชีวอาชีพชอบท่านก็รวมไว้ในศีล นก็คือการพูดที่การกระทําที่ชอบการพูดที่ชอบอาชีพที่ชอบเช mm hmm. ่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพ ย, ไพย์ไม่ประพฤติปิดประเวณีไม่ดื่มสุรายาเมา mm hmm. เรียกว่าเป็นการกระทําที่ชอบ mm hmm. แล้วก็ <c oughs> ไม่พูดปดก็เรียกว่าการ <c oughs> เป็นการพูดที่ชอบ อาชีวะสมาชีวะก็คือ ร, รมอาชีพที่ไม่ผิดศีลนี่เองไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเสียหายรวมกันอยู่ในศีลส่วนสมาธิก็ประกอบด้วยสมมาวายโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสมาสมาธิ ความตั้งมั่นชอบความตั้งมั่นของจิตชอบไม่ว่าสัมมาสมาธิรวมอยู่ในองค์ของสมาธิเพราะว่าสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติสติจะเกิดได้ก็ต้องมีความเพียรสร้างสติจึงเป็นองค์ประกอบของสมาธิรวมกันก็เป็นมรรคแปดแต่เพื่อความสะดวกรว ด, ดเร็ว เวลาพูดก็มักจะพูดย่อเป็นสามคือศีลสมาธิปัญญานี่คือมักมักกับนิโรธมักเป็นเหตุที่จะทำให้นิโรธเกิดขึ้นถ้ามีมักนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะตามมาถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาการสิ้นสุดของความทุกข์ก็จะตามมา การสิ้นสุดของความทุกข์ก็คืออะไรก็คือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายสิ้นสุดของการพัดพากจากกันออการสิ้นสุดของความทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะได้อย่างไรก็เพราะว่าสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์นี้ถูกกำจัดไปนั่นเองถูกละไปออละด้วยมรรคนี้เอง มรักด้วยศีลสมาธิปัญญาผู้ที่ต้องการที่จะดับทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดต้องละตัณหาทั้งสามที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับผู้ที่ต้องการดับไฟที่จะเผาบ้านก็ต้องมีน้ํามาดับไฟน้ํามาดับเชื้อเพลิงที่กาลังลุกไหมอยู่ พอมัน้ำได้ทำให้เชื้อเพลิงหยุดลุกไหม้ไฟก็ดับไปอันนี้ก็คือเรื่องของพระอริยสัจสี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเป็นสองฝ่ายฝ่ายทุกข์และฝ่ายดับทุกข์เหมือนกับพวกที่ไปชอไปเผาบ้านคนเนี่ย เป็นเรียกว่าพวกชอบไปสร้างความทุกข์ส่วนพวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เป็นพวกที่จะมาคอยดับไฟเ <Yeah. S 1> จ้าหน้าที่ดับเพลิงก็คือพวกมรรคพวกนิโรธ <Yeah. S 1> พวกที่ไป เ, เผาบ้านคนเรียกว่าพวกทุกข์พวกสมุทยัย <Yeah. S 1> บ้านคือใจของพวกเรา พวกที่มาสร้างมาม า, มาเผาบ้านมาเผาใจของพวกเราก็คือตันหาความอยากนี่กามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาพอมีกามาตันหาภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหาปรากฏขึ้นมาใจเราก็ร้อนขึ้นมาทันทีอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่ได้สบายสบายเกิดมีความอยากจะไปทําอะไรขึ้นมาเนี่ จะทนนั่งไม่ได้อย่างเมื่อกี้ญาติโยงนั่งอยู่พอฝนตกมาเม็ดสองเม็ดนี่เกิดความอยากที่จะหนีฝนนะเกิดตันหาความอยากขึ้นมาให้นั่งเฉยๆแล้วรู้สึกจะไม่สงบแล้วใจเริ่มร้อนใจเริ่มกวนกวยกระสรับกระสายจนทนไม่ไหวก็ต้องลุกเปลี่ยนที่นั่งไปส่วนพวกที่ไม่มีความอยากลุก พวกที่ยินดีกับฝนคิดว่าเป็นน้ําทิพย์เป็นน้ํำมนต์ก็นั่งฟังเทศท่ามกลางสายฝนต่อไปพวกนี้ไม่มีความอยากลุกก็เลยไม่มีความกาวลกังวายไม่มีความร้อนใจเอใจไม่ทุกข์ใจนั่งอยู่เฉยๆฟังเทศฟังธรรมต่อไปได้นี่คือเรื่องของทุกข์ทุกข์เกิดสมุติเกิดจากสมุ ท, ทยัยคือ ความอยากทั้งสามการมกตัหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาทุกจะดับได้ก็ต้องมีมักต้องมีศีลสมาธิปัญญามาดับทุกวิธีดับของดับทุกของศีลสมาธิปัญญาไปดับที่ไหนก็ไปดับที่ต้นเหตุของความทุกขนั่นเองคือตันหาพอไม่มีตันหาความทุกมันก็ดับไป เหมือนไฟถ้าเราเอาเชื้อไฟออกเดี๋ยวไฟมันก็ต้องดับถ้าไม่มีเชื้อไฟไฟมันไม่ติดไฟมันติดเพราะมีเชื้อพอเชื้อไฟไม่มีไฟมันก็ไม่ติดอ น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามาศึกษากันมาทําความรู้จักกันคือความจริงสี่ประการนี้ เรียกว่าอาริยสัจสี่ที่เป็นความจริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะความไม่รู้ความจริงนี้จึงทําให้สามโลกทั้งปวงต้องติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าได้มารู้จักกับอริยสัจสีแล้วก็จะได้รู้จักทางที่จะพาให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด รู้จักเหตุที่มาทำให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันพอรู้ว่าอะไรเป็นเหตุถ้ากาจัดเหตุนั้นได้ผลของเหตุนั้นก็จะหายไปถ้ารู้ว่าความทุกข์รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากตัณหาความอยากทั้งสมประการถ้าต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิด ยุติยุติความทุกข์คือทําให้นิโรธปรากฏขึ้นมาก็ต้องมีมรรคมรรคก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้นี่คือการมาศึกษามาทำคันถับทุระมารู้จักกับพระอริยสัจสี่พอเรารู้จักอริยสัจสีแล้วรู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้ว ทุกคือการเกิดแก่เจ็บตายทุกคือการาพัดภาคจากกันมีใครปฏิเสธไหมว่ามันไม่ใช่เป็นความทุกขมีใครปฏิเสธไหมว่าความแก่ไม่เป็นความทุกทุกคนนี่กําลังรอต้อนรับความแก่กันอยากจะพบความแก่กันเพราะความแก่ไม่เป็นความทุกมีหรือไม่มีแต่ทุกคนพยายามวิ่งหนีความแก่กัน พอความแก่มาในรูปของผมหงอกก็รีบย้อมมันให้มันหายไปไม่ต้องการความแก่พอหนังเริ่มเหี่ยวก็รีบไปหาหมอทำสัญยกรรมตกแต่งเพื่อไม่ให้ความแก่เข้ามาหาดังนั้นไม่มีใครต้องการความแก่เพราะความได้มาแล้วมันทุกนั่นเองเพราะเวลาได้ความแก่มาแล้วมันจะทำให้ไม่สามารถ ไปทำอะไรต่างๆที่ตันหาความอยากอยากจะทำนั่นเองอพอแก่แล้วจะทำอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวก็ไม่อยากจะแก่กันแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยพะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันร่างกายเจ็บปวดเป็นไข้ทรมาน จิตใจก็ทุกข์ไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่สามารถไปหาความสุขได้ความตายก็เป็นการสิ้นสุดของการหาความสุขจึงไม่มีใครต้องการความแก่ความเจ็บความตายเพราะรู้ว่ามันเป็นความทุกข์ไม่มีใครต้องการทกทุกคน เมานี้ต้องการความสุขกันที่ทําอะไรกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อหาความสุขกันแต่หายยังไงก็หนีไม่พ้นความทุกข์ที่มันจะตามมาที่รออยู่ข้างหน้านี่คืออริยาศาสตร์ข้อที่หนึ่งคือความทุกข์เนี่ยทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์คือการพัดพรากจากกัน ตอนเหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้เรียกว่าสมุทยัยกามตัณหาคือความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอันนี้กำลังลอรอลุ้นกันว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นสอสอถ้าไม่มีใครอยากเป็นก็ไม่ต้องมาลุ้นกัน ที่มาลุ้นกันเพราะความอยากอยากเป็นกันมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นสอสอใครจะได้เป็นรัฐบาลใครจะได้เป็นรัฐมนตรีใครจะได้เป็นนายกอันนี้เรียกว่าภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัญหาก็คือความอยากไม่มีไม่เป็นไม่อยากจะกลับไปเป็นคนธรรมดา เคยเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีต่อไปแต่พอรู้ว่าจะต้องกลับไปเป็นคนธรรมดาก็ไม่อยากเป็นกันเรียกว่าวิภาวะตัณหาหรือไม่อยากแก่กันไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอันนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาตัณหาสามตัวนี้ลองสังเกตดูเถิดเวลามันโผล่ขึ้นมานี่มันจะทำให้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์กันใจเราจะ กวนกวยกระสับกระสายวิตกกังวลอะไรต่างๆขึ้นมาทันทีพอเกิดความอยากทั้งสามนี้นี่คือการศึกษาทำความรู้จักอริยสัจส์่นี่คือสองตัวที่เรียกว่าฝ่ายผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือทุกข์กับสมุทยัย การเกิดแก่เจ็บตายนี้มันทำให้เราทุกข์กันการที่เรามาเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะตันหาความอยากของเรานี้เองอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากมีอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่จึงทำให้เราต้องมาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์อยากจะให้มีนิโรธคือการพ้นทุกข์ ปรากฏขึ้นมาในใจเราคืออยากให้ความทุกข์หมดไปจากใจเราอันนี้เรียกว่านิโรธเป็นความจริงที่เป็นไปได้นิโรธนี้เป็นความจริงที่เป็นไปได้เราสามารถทําให้นิโรธคือความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้หายไปหมดได้ด้วยอะไรด้วยมรรคมรรคก็คือด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ อ น, นี่คือคันถธุระคือมาศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรามาเรียนกันให้เรามารู้จักกันให้เรามารู้จักอริยสัจสี่ลองไปถามชาวพุทธดูที่เขาเรียกว่าเขาเป็นชาวพุทธเนี่ยถามเขาว่ารู้จักอริยาาสัจสี่ไหมดูซิว่าจะได้คําตอบอย่างไร คนที่ตอบไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ชําเป็นชาวพุทธทยังไม่ได้มาทําหน้าที่ของชาวพุทธเป็นพุทธแต่ในทะเบียนบ้านแต่พอถามว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราศึกษาอะไรให้รู้จักอะไรก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ก็แสดงว่ายังไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธถ้าเป็นชาวพุทธนี่พอถามว่าพระพุทธเจ้าให้เรา เรียนอะไรให้เรารู้จักอะไรต้องตอบได้ทันทีว่าให้รู้จักอริยาาสัจสีนี่คือคันถัตทุระให้เรียนอริยาาสัจสีให้มารู้จักกับอริยาาสัจสีเพราะอริยสัจสีนี้เป็นกุญแจที่ผูกมัดและกุญแจที่จะปล่อยเราให้ออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือขั้นแรกคือคันถะตทุระคือต้องศึกษาพอศึกษาเสร็จแล้วก็ต้องนําไปสู่ขั้นที่สองคือการปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสีนี่คือพระอริยสัจสนี้มีกิจข้อที่หนึ่งก็มีกิจให้ทําข้อที่สองก็มีกิจให้ทําข้อที่สข้อที่4ี่ก็มีกิจที่จะต้องทํา ถึงจะสามารถได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้พระอริยสัจสี่การเรียนรู้พระอริยสัจสี่เฉยๆโดยไม่ได้ทํากิจของพระอริยสัจสี่นี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้เฉยๆเหมือนกับการรู้ว่าอาหารชนิดนั้นเป็นอย่างนั้นอาหารชนิดนี้เป็นอย่างนี้ถ้ารู้เฉยๆแล้วไม่รับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ อาหารชนิดนะั่ต่างๆที่เรารู้จักก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราที่ศึกษาอาหารจะได้รู้ว่าอาหารชนิดนี้เป็นอย่างไรอาหารชนิดนั้นเป็นอย่างไรควรรับประทานอาหารชนิดไหนก่อนชนิดไหนหลังเห็นไหเวลาที่เราไปเข้าสังคมของคนต่างประเทศที่เราไม่เคยเข้าเราก็ต้องไปหัดกินอาหารเขา อ, อาหารของเขาก็มีวิธีกินที่ไม่เหมือนเรา เขามีอาหารว่างก่อนอาหารหนักก็อาหารเบาก่อนตามด้วยอาหารหนักตามด้วยของหวานตามด้วยขนมอะไรต่างๆถ้าเราไม่ไปเรียนรู้วิธีกินของเขาเดี๋ยวไปกินของหวานก่อนของหนักเข้าเดี๋ยวเขาจะโถ่ไล่กลับบ้านอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องศึกษาก่อนให้รู้ว่าเราต้องทําอะไรกับพระอริยสัจสี่ ความจริงสี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราศึกษาให้เรารู้จักรู้แบบไหนถึงเรียกว่ารู้จักก็คือรู้แบบไม่ลืมนั่นเองถ้ารู้แบบลืมนี่ยังถือว่าไม่รู้จักรู้แบบลืมลืมเป็นยังไงก็ลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายกันอย่างนี้เรียกว่าลืม ถ้ารู้แบบไม่ลืมนี้ต้องรู้อยู่ตลอดเวลาต้องรู้อยู่ว่าว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตลอดเวลาต้องพัดภาคจากกันตลอดเวลาถึงจะเรียกว่ารู้ถึงจะเรียกว่าศึกษาถึงจะเรียกว่าทรรมกิจในพระอริยสัจคือให้เรารู้ว่าเราอยู่กับกองทุกนั่นเองแต่เรามักจะลืมกันในชีวิตของเราแต่ละวันนี่เรา เราลืมความทุกข์ที่เรามีกันแล้วเราก็พยายามไปหาความสุขต่างๆกันโดยที่ไม่รู้ว่าความสุขต่างๆที่เราไปหากันนี้ในที่สุดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันจะต้องมีการพัดผ่าจากกันนั่นเองเราอยู่คนเดียวเราไม่มีความสุขเราคิดว่าเราจะต้องอยู่กับคนนั้นอยู่กับสิ่งนี้ ถ้าเราคิดอย่างนี้สแสดงว่าเราลืมอริยสัจข้อที่หนึ่งไปแล้วอะรอริยสัจข้อที่หนึ่งบอกว่าเราต้องพัดภากจากกันเราต้องพัดภากจากทุกสิ่งทุกอย่างทุกบุคคลถ้าเราจำได้เราไม่ลืมเราก็จะไม่ไปหาใครไม่ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราถ้าไปหามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดภากจากกัน พามีการพัดพากจากกันมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเป็นทุกข์ถ้าเรายังหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่หาคนนั้นคนนี้อยู่หาลูกเสียงกลิ่นรสผลพทพ้าอยู่ก็แสดงว่าเราลืมความจริงไปหรือว่าเราจะต้องมีการพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหากันมาแล้วเวลามีการพัดพากจากกานันนี้มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ดังนั้น เราต้องมาคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องต้องแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ร่วงพ้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้ถ้าเรารู้ความจริงสีอย่างนี้อยู่ในใจของเราตลอดเวลาเราจะไปหาอะไรทำไมเราไปดิ้นรนไปหาอะไรกันทาไมเดี๋ยวก็ต้องพัดพากจากกาันนะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่มันเป็นเวลาพัดพากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นจากคนนี้จากเรื่องนั้นจากเรื่องนี้หามาได้เท่าไหร่ มากน้อยเท่าไหร่หามาถ้าเป็นแทบตายในที่สุดก็ต้องพัดพากจากกันไปในที่สุดก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้กัน น, นี่คืออริยศาสตร์ข้อที่หนึ่งกิจข้อที่หนึ่งนี่คือให้เราศึกษาจนเราไม่ลืมพอเราไม่ลืมทุกครั้งเราอยากจะได้เราบอกให้ hey, เดี๋ยวต้องพัดพากจากกันนะเอามาทำไม ตอนนี้ไม่มีเขาเราไม่ทุกข์กับเขานะพอมีเขาแล้วเดี๋ยวเวลาต้องจากกันนี่มันทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของเหมือนกันทั้งนั้ น, น, นอย่าไปมีอะไรดีที่สุดถ้าเราถ้าเราทํากิตข้อที่หนึ่งได้มันจะทําให้เราไปทํากิจข้อที่สองได้กิจข้อที่สองคืออะไรใหล้ละความอยากนี่ละสมุบบทยัย ละความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็คือละการอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เองพอเราจําได้ว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเดี๋ยวมันจะต้องมีการพัดผ่าจากกันเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายหรือแม้แต่เวลาที่ยังไม่แก่เจ็บตายก็มีการพัดผ่าจากกันได้นะถ้าเรา รู้อย่างนี้เราก็จะทำหน้าที่ของข้อที่สองได้กิจของข้อที่สองคืออะไรคือละความอยากทั้งสามนี้ละสมุ ท, ทยัยสมุทายนี้ต้องละละความอยากจะละความอยากได้ก็ต้องอาศัยข้อที่หนึ่งต้องจำได้ว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเดี๋ยวเราก็ต้องมีการพลาดพาดจากกัน พอรู้ว่าจะต้องมีการพัดพากจากกันก็ไม่เอาดีกว่าเอามาทำไมเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปเวลาคืนก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ตอนนี้เราไม่ได้ร้องห่มร้องไห้ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเราไปเอาความเศร้าโศกเสียใจเอาการร้องห่มร้องไห้มาทาไมถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรจะเสียใช่ไมถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรจะต้องพัดภาคจากกัน การพัดภาคจากกันมันต้องมีอะไรถึงจะพัดภาคจากกันได้ถ้ามีถ้าไม่มีมันก็ไม่มีการพัดภาคจากกันถ้าอยากจะไม่พบกับการพัดภาคจากกันก็อย่าไปมีอะไรแต่บางอย่างมันมีมาแล้วก็ต้องหัดสอนใจทำใจให้ยอมนับคือสิ่งที่เรามีมาแล้วก็คือร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเรานี้เราก็ต้องพัดภาคจากมันเราไม่ใช่เป็นร่างกายเนี่ย เราเป็นใจเราอยู่ที่เราเป็นใจใจได้ร่างกายมาแล้วเดี๋ยวใจก็ต้องพัดภาคจากร่างกายไปแต่เมื่อได้มาแล้วก็ต้องสอนใจให้ทําใจไว้ว่าเดี๋ยวต้องมีการพัดภาคจากกันอย่าไปยึดอย่าไปติดต้องปล่อยวางต้องให้มันไปถึงเวลาที่ร่างกายนี้มันจะไปก็ให้มันไปอย่าไปยือ้อย่าไป ปั๊มหัวใจอย่าไปใช้ท่อสายยางทําอะไรต่างๆทํำยังไงมันก็เพียงแต่ยื้อความทุกข์ให้มันยาวนานขึ้นไปเท่านั้นเองรู้ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันดีกว่านี่คือเกตข้อที่หนึ่งเป็นเกตข้อที่สําคัญมากคือทุกต้องต้องศึกษาต้องกําหนดรู้เนี่ยนี่คือเกตข้อที่หนึ่งในพระอริยสัจ เราต้องรู้ต้องอย่าลืมคำว่ารู้ให้รู้แบบไม่ลืมตอนนี้พวกเรารู้แบบลืมกันรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ลืมรู้ว่าต้องพัดพากจากกันแต่ลืมลืมเพราะอะไรพ่อไปหาสิ่งต่างๆมานั่นเองแสดงว่าเราลืมแล้วว่าเราจะต้องพัดพากจากกันเราคิดว่าการไปหาสิ่งต่างๆมาจะให้ความสุขกับเรา อันนี้ก็เพราะว่าเราลืมคิดไปว่ามันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเพราะาต่อไปมันจะต้องพัดพาาจากกันพอมันพัดพาาจากกันมันจะต้องให้ความทุกข์กับเราเนี่ยนี่คือการทำกิจข้อที่หนึ่งก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เนืองเนืองอย่างที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ต่างๆท่านสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองเนือง มาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ถ้าเราจาได้ไม่ลืมเราจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกเ น, นื้อง่ายก็รู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพากจากกันนั่นเองพอเราทาจิตข้อที่หนึ่งได้มันก็จะเป็นอัตโนมัติ มันก็จะทําทให้เราทํากิจข้อที่สองได้กิจข้อที่สองคือสมุทัยต้องละเพราะว่าถ้าละสมุทัยได้ทุกก็จะดับทุกก็จะไม่มีเอถ้าเราละความอยากทั้งสามนี้ได้ไม่อยากไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับการสูญเสียกับการพัดภาคจากสิ่งที่เราหามาได้นั่นเองเออนี่คือ แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดใหม่เพราะเราจะไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่เพราะว่าเราไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ต้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องมีร่างกายร่างกายนี้ตายไปก็เป็นร่างกายสุดท้ายร่างกายใหม่จะไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าเอาร่างกายมาก็เท่ากับเอาความทุกข์มานั่นเอง พอได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากร่างกายอันนี้ไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันก็ต้องเกิดเมื่อมีการเกิดเมื่อมีร่างกายขึ้นมา น, นี่คือข้อที่สองสมุทัยต้องละให้ได้จะละได้ก็ต้องละด้วยข้อที่หนึ่งคือต้องรู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายการ นี้การพัดผาาจากกันนี้เป็นทุกข์ถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์แล้วก็จะได้ไม่อยากได้เพราะความอยากได้นี้คือความทุกข์เนียอยากได้ความทุกข์มาเนี่ยอยากได้ร่างกายก็ต้องทุกข์อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้คนนั้นคนนี้มาก็ต้องทุกข์เพราะว่าจะต้องมีการพัดผาาจากกัน mm hmm. เมื่อเราทํากิจข้อที่สองได้เราก็จะทํากิจข้อที่สามได้ ข้อที่สามก็คือนิโรธทำให้แจ้งนิโรธคือการสิ้นสุดของความทุกข์ทำให้มันแจ้งทำให้มันปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีสมุทัยแล้วมันก็ไม่มีทุกข์เมื่อไม่มีทุกข์นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาคือการสิ้นสุดของความทุกข์ความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในหัวใจมันก็จะหายไปหมดหายจากการทำกิจข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง พอทำกิจข้อที่หนึ่งข้อที่สองไดน้นิโรธก็จะหายไปแล้วเครื่องมือที่เราใช้ในการทํากิจข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือถึงแม้บอกให้ทําก็ทําไม่ได้บอกให้ทุกข์ให้กําหนดรู้ทุกข์ให้ละสมุทยัยให้ทํานิโรธให้แจ้งนี่ก็ทําไม่ได้ ถต่แม้พูดว่าฟังมันง่ายแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่ง่ายเนี่ยบอกให้จดจําไว้ให้ดีว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็จะจําได้ตอนนี้เดี๋ยวพอออกไปเจอขนมนมเนยเจอกระเป๋ารองเท้าเจออะไรขึ้นมาอยากขึ้นมาแล้วลืมแล้วว่าจะต้องพัดพากจากกันได้อะไรมาม า, มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็ต้องพัดพากจากกัน พาพัดพาดจากกันก็ต้องทุกข์กันเริ่มไปเนี่ยเพราะว่ามันจำได้แค่เฉพาะตอนนี้ท่านเองเดี๋ยวพอออกไปปั๊บนี่อไปคิดถึงเงินคิดถึงทองนี่เริ่ม อ, อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นนะอยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นานๆนะอันนี้ก็เป็นภาวะตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาขึ้นมาไม่อยากให้เงินสูญไม่อยากให้เงินหมด อยากให้มีเงินเพิ่มขึ้นมากๆก็เป็นภาวะตันหาแต่มันมันต้องมีการพัดพลาจากกันไม่ใช่เหรอมีใครเอาเงินไปได้มางเวลาตายนเนี่ยเพราะว่าลืมความจริงหรือว่าจะต้องมีการพัดพ่าจากกันพอพอออกจากที่นี่ไปก็อยากขึ้นมาใหม่อยากได้เงินมากขึ้นอยากให้เงินที่มีอยู่ไม่ให้มันหดหายไปคอยเฝ้าดู ว่ดอกเบีย้ยจะขึ้นจะลงอยู่เรื่อยๆดอกลงไปลงทีหัวใจก็เต้นลงไปทีนเงินน้อยลงไปรายได้น้อยลงไปเนี่ยแสดงว่าลืมอริยสัจข้อที่หนึ่งการที่จะทำให้เราไม่ลืมอะไรยอริยสัจข้อที่หนึ่งนี้เราต้องมาจริญศีลสมาธิปัญญาเราต้องมีปัญญาถึงจะเป็นความความรู้ที่ไม่ลืม ความรู้ที่ลืมเราเรียกว่าสัญญาตอนนี้พวกเรามีแต่ความรู้ที่เป็นสัญญาอยู่รู้แต่เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวพอไปทำอะไรปุ๊บนี่ลืมหมดแล้วลืมเรื่องที่ได้ยินได้ฟังอยู่ในตอนนี้ลืมเรื่องเกิดแก่เจ็บตายลืมเรื่องการพัดพากจากกันแล้วก็จะไปอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำนู่นอยากทำนี่ขึ้นมาทันทีแสดงว่าไม่มีปัญญามีแต่สัญญา รู้รู้ว่าอริยสัจสี่เป็นยังไงแต่เวลาที่จะต้องเอาอริยสัจสี่มาทำประโยชน์นี้ลืมไปหมดเราจึงต้องมาปฏิบัติรรมาสร้างปัญญากันให้ความรู้ที่เราได้เรียนรู้ตอนนี้ที่เรียกว่าสุดตรมยปัญญาเนี่ยกลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาถึงจะเรียกว่าเป็นความรู้จริงเป็นความรู้ที่จะละสมุทัยได้ ความรู้ที่จะทำให้นิโรธแจ้งขึ้นมาได้ต้องเป็นปัญญาระดับภาวนามยปัญญาปัญญาระดับที่เรากำลังศึกษากันอยู่ตอนนี้เรียกว่าสุตตามัยปัญญายังถือว่าเป็นสัญญาอยู่เรียนได้ฟังได้เดี๋ยวก็ลืมถ้าลืมก็เรียกว่าสัญญาสัญญานี้เป็นความจำความจำจำได้เวลาจาไม่ได้ก็ก็ลืมไป ถ้าเป็นปัญญาจะไม่มีคำว่าลืมคำว่าปัญญานี้จะจำได้ตลอดเวลาจำได้ว่าเกิดแก่เจ็บตายพัดพากจากกันทุกขณะจิตขณะใดที่จิตเกิดตัณหาขึ้นมาความความจริงคือปัญญาว่าต้องพัดพากจากกันต้องทุกข์ถ้าได้สิ่งนั้นมามันจะโผล่ขึ้นมาทันทีถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาแต่ถ้ามันไม่โผล่พอเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าอยากได้ขึ้นมานี้ แล้วปัญญาไม่โผล่มันเรียกว่าเป็นสัญญาลืมไปว่าเดี๋ยวได้มาแล้วต้องร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวกระเป๋าถูกเขาขโมยไปก็เสียใจกระเป๋าบางทีรองเท้าซื้อมาแล้วเดี๋ยวบางทีก็หายไปได้พอหายไปก็เกิดความเสียใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะยังไม่มีปัญญามีแต่สัญญารู้รู้ว่าถ้เกิดแก่เจ็บตายพัดพากจากกันเป็นทุกข์ แต่ลืมไปพอเห็นรูปเสียงกลิ่นล่เห็นของที่ชอบเพเห็นของที่เคยอยากได้มันลืมหมดความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเราจึงต้องมาแปลงความรู้ที่เราได้จากสุดแตม่มยาปัญญามาให้เป็นภาวนาไมายาปัญญาให้ได้การที่จะทําให้เราเอาความรู้ที่เราได้รู้นี้ไม่ลืมก็คือ เราต้องมาแปลงจากสุดตามยะปัญญาให้มาเป็นจินตามายะปัญญาก่อนคือฟังเทศฟังธรรมวันนี้แล้วต้องกลับไปทําการบ้านต่อคืออย่าทิ้งพอได้ความรู้ที่เรียนในห้องเรียนแล้วข้อต่อไปครูก็จะให้ไปทําการบ้านเพื่อจะได้จําได้ว่าวันนี้เรียนอะไรอันนี้ก็เหมือนกันวันนี้เราเรียนว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายคือการพัดพากจากกาัน การบ้านของเราก็คือต้องไปท่องจำให้ได้ท่องจำให้ไม่ให้ลืมเพราะเมื่อถึงเวลาจะทำข้อสอบจะได้สอบได้ถ้าไม่ไปท่องไปจำเดี๋ยวลืมฉะนั้นเราต้องเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆว่าการเกิดแก่เจ็บตายการพัดภาคจากกันนี้เป็นทุกข์หัดท่องอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าให้มันลืมจะรู้ว่าลืมไม่ลืมก็ตอนที่เกิดความอยากขึ้นมา ถ้าเกิดความอยากได้อะไรนี้แสดงว่าลืมนะให้เราดูดูดูผลของปัญญาของความรู้ที่เราเรียนมาว่าเราลืมหรือไม่ลืมนพอเราไปอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้ให้นั่นเป็นอย่างนั้นให้นั่นเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราลืมนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมาตามความอยากของเราเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องพัดพากจากมันไป แล้วเราก็ต้องทุกข์อยู่ดีเราก็ต้องกลับมาทุกข์ น, นี่คือเราต้องมาปฏิบัติเราต้องมาเจริญปัญญากันขั้นต้นต้องศึกษาด้วยสุตตะมยักปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการอ่านหนังสือธรรมะเมื่อเราได้อ่านหนังสือได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วถ้าเราไม่เอามาคิดต่อเอามาพิจารณาต่อเดี๋ยวเราลืมได้แต่สิ่งไหนที่เรามาคิดอยู่เรื่อย ท่องอยู่เรื่อยๆมันจะอยู่กับใจเราเช่นบทสวดมนต์นี่ถ้าเราสวดอยู่เรื่อยๆมันจะไม่ลืมหรือสมัยที่เรียนหนังสือเราต้องท่องสูตรคูณกันทำไมเราต้องท่องสูตรคูณกันเพราะสมัยก่อนไม่มีเครื่องคิดเลขเวลาจะคิดเลขต้องใช้สูตรคูณสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสี่เป็นสิบหกท่องให้มันจำได้ พอเวลาที่จะต้องคิดเลขเวลาจะต้องเอาอะไรมาคูนกันมันก็จะได้ไม่ต้องไปเปิดหนังสือมันจะอยู่ในสมองอยู่ในใจเราทันทีพออยากจะคูนอะไรก็คูนได้เลยต้องทำแบบนั้นต้องทำให้ความรู้ที่เราเรียนรูร้คือพระอริยรรสัจสี่นี้อยู่ในใจของเราตลอดเวลารู้ว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายการพัดพากจากกันรู้ว่าต้นเหตุ ข, ของความทุกข์คือสมุป คือตันหาความอยากต่างๆถ้ารู้รอย่างแบบไม่ลืมเพราะเกิดตันหามันต้องรู้แล้วว่าให้กําลังไปสร้างความทุกข์ก็นนะเพราะตันหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าไปทําตามตันหามันก็เท่ากับเป็นการไปสร้างความทุกข์เพราะได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการพัดภาคจากกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาแบบไม่แต่เป็นปัญญายังระดับที่ยังไม่สามารถทําหน้าที่ได้ ก็บางทีรู้อยู่ก็ตามแต่มันยังไม่ยอมรู้ว่าต้องพัดภาคจากกันมันบอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาพัดภาคจากกันแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่พัดภาคจากกันขออยู่ด้วยกันไปก่อนมันก็มีมีช่องโหว่ให้มันแวบออกไปทั้งๆที่รู้อยู่มันก็ยังดื้อได้ความอยากมันยังดื้อได้ตันหาความอยากถ้าเราถ้าเราสู้มันไม่ได้มันก็ ยังไปทำสิ่งที่เรารู้ว่าจะต้องทำให้เราทุกข์ต่อไปไปเอาอะไรมาเดี๋ยวเราก็รู้ว่าต้องทุกข์แต่เรายังไม่สามารถที่จะสู้มันได้เพราะความรู้ที่เกิดจากการจินตนาการนี้ยังไม่มีกำลังมัอนเองใจยังขาดกำลังอยู่ถ้าเราอยากจะให้ความรู้ที่เราจะจดจำได้นี้มีกำลังสู้กับความอยากได้เราต้องมา สร้างสมาธิก่อนเมาปฏิบัติสมาธิสมถภาวนาถ้ามีภาวมีสมถภาวนาจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วทีนี้มันจะมีกําลังแล้วพอปัญญาบอกว่าเป็นทุกข์ปั๊บมันจะไม่เอาทันทีพออยากปุ๊บมันปัญญาบอกอยากลดทุกข์นะได้มาแล้วจะต้องทุกข์จะต้องพัดภาคจากกันถ้าเป็น ถ้าเจิตมีสมาธิมีอัปปนาสมาธิแล้วมีปัญญาที่ไม่หลงไม่หลงไม่หลงไม่เป็นสัญญาพออยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรเนี่ยปัญญามันจะบอกทันทีว่าเดี๋ยวจะต้องทุกข์นะเพราได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเนี่ยได้นายกคนใหม่มาเดี๋ยวมันก็ต้องหมดนะได้ได้สักกี่เดือนกี่ปีเนีเดี๋ยวก็ต้องเลือกสร้างกันใหม่ละได้อะไรมาเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะไม่หมดเพราะโลกนี้เป็นโลกของการสิ้นการหมดการเปลี่ยนแปลงโลกของอ น, นิจจังนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมอันนี้คือปัญญารู้อยู่แต่ยังห้ามจิตใจห้ามความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นจินตามายะปัญญารู้รู้ว่าเป็นทุกข์รู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์ แต่ก็อดที่จะอยากได้ไม่ได้ก็เลยไปทําตามความอยากเพราะว่าไม่มีกําลังสู้ความอยากสิ่งที่จะสู้กับความอยากได้ก็คืออัปปนาสมาธิหรืออุเบกขานี่เองการมีอัปปนาสมาธินี้จะทําให้จิตมีอุเบกขาจิตจะเฉยได้จะไม่ทําตามความอยากได้ถ้ามีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาทนไม่ไหวมือไม้สั่นใจสั่นหมด พอเห็นกระเป๋ารองเท้าเห็นเงินรางวัลตำแหน่งสูงสูงขึ้นมานี่โอ้โหใจสั่นกันทุกคนใช่หไหมมีใครบ้างไม่อยากเป็นนายกกันมีใครบ้างไม่อยากจะเป็นประธานบริษัททุกคนอยากได้ตำแหน่งสูงสูงใหญ่ใหญกันทั้งนั้นเพราะอำนาจที่จะได้มาเงินทองที่จะได้มานั่นเองแต่มันไม่มองตอนที่จะต้องสิ้นสุดลงตอนที่จะต้องตกเก้าอี้ตอนที่จะต้องตกหลังเสือเป็นยังไง ด้านั้นไ ม, ม่ไม่ยอมคิดกันเพราะลืมอริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่ว่าเราต้องมีการพัดภาาจากกันหรือถ้าไม่ลืมก็ไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากเพราะไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ทำจิตใจให้มีอัปปนาสมาธิไม่ได้ทำจิตใจให้มีอุเบกขานั่นเองก็เลยจึงไม่จะไม่สามารถที่จ ะ, ะละตัญหาระละสมุทยัยละต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ได้ ไม่สามารถทํานิโรธให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจได้จึงต้องมาสร้างมรรคให้สมบูรณ์เกิดของมรรคเกิดของข้อที่สี่ก็คือมรรคนี้ต้องสร้างให้สมบูรณ์ถ้ามรรคไม่สมบูรณ์ถ้าศีลสมาธิไม่สมบูรณ์จะไม่มีกําลังสู้กับตันหาความอยากถ้าอยากจะสู้กับตันหาความอยากอยากจะละตันหาความอยากให้หมดไปจากใจ ต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์ศีลก็ต้องบริสุทธิ์ตลอดเวลาศีลก็ต้องศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ไม่พอต้องศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองร้อยิบเจ็ดแล้วสมาธินี้ก็ต้องเป็นอุเบกขาตลอดเวลาจิตต้องเป็นอเบกขาทั้งเข้าทั้งออกอยู่ข้างนอกสมาธิก็เป็นอุเบกขาอยู่ข้างในสมาธิก็เป็นอุเบกขา ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิเต็มร้อยปัญญาก็คือต้องไม่ลืมต้องจําได้ตลอดเวลาว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายการพัดภาคจากกันต้นเหตุของความทุกข์ก็คือสมุทยัยกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาพอเกิดตัณหาเหล่านี้ขึ้นมารู้ทันทีว่ากำลังจะสร้างความทุกข์ก็ต้องฝืนทันทีต้องหยุดทันทีต้องไม่ทาตามทันที เพราะถ้าทำแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์เพอได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการสูญเสียกันจะต้องมีการพัดพากจากกันนี่คือปัญญาเต็มร้อยปัญญาที่เป็นภาวนามายปปัญญาคือหนึ่งไม่หลงไม่ลืมสองมีอุเบกขาหรือมีอัปปนาสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้ามีปัญญาสองระดับแรกนี้ไม่พอ ระดับแรกนี้เป็นปัญญาเริ่มต้นให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอรู้แล้วขั้นที่สองต้องเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอไม่หลงไม่ลืมถ้าจะไปสู้กับความอยากก็ยังสู้ไม่ได้เพราะไม่มีกำลังต้องมาเสริมกำลังของใจให้มีอุเบกขาให้มีอัปปนาสมาธิขึ้นมา ตั้งใจมีกําลังมีอั ป, ปนาสมาธิมีอุเบกขาแล้วพอปัญญาบอกว่าทําตามไม่ได้หยุดตันหาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามทําตามจิตก็จะทําตามได้เพราะจิตอยู่เฉยๆได้เพราะมีอุเบกขาแต่ถ้าจิตไม่มีอุเบกขาถึงแม้ปัญญาบอกว่าอย่าทําตามตันหาความอยากมันก็ยังดื้อทำจนได้เพราะมันทนไม่ไหวเพราะเวลา เกิดความอยากขึ้นมานี้มือไม้มันสันใจมันสันไปหมดไม่เชื่อไปดูคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดดืเวลาเขาเกิดความอยากนี่ดูถามเขาว่าใจเป็นยังไงมั้งใจสบายไหมเขาบอกสบายยางไงจะตายให้ได้ทนไม่ได้ต้องไปเอาเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาเสพทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยแต่ใจไม่มีกําลังฝืนมัน ก็ไ ม, ไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยมีอปปนาสมาธิไม่มีอุเบกขานั่นเองดังนั้นถ้าเราจะเริญนปัญญากันแล้วเช่นตอนนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมเรารู้แล้วว่าทุกสมุทัยนิโรธมักมีอะไรบ้างการที่สองเราก็ต้องเอาไปทบทวนอย่าให้ลืมให้อย่าให้ลืมว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากการจะทำให้ความทุกข์ดับไปเราต้องละความอยากให้ได้ แล้ว เ, เราละได้หรือไม่ถ้าเราละไม่ได้ก็แสดงว่าใจเราไม่มีกํำลังพอไม่มีอุเบกขาไม่มีอัปปนาสมาธิงั้นเราก็ต้องไปฝึกอัปปนาสมาธิกันอันนี้แหละเป็นตอนยากตอนไปฝึกอัปปนาสมาธิเนี่ยปัญญานี้มันไม่มันไม่ยากมันเพียงแต่ใช้ความคิดกิน ค, คิดกันไปแล้วก็ไม่ให้หลงไม่ให้ลืม คิดอยู่บ่อยๆมันก็ไม่ลืมเหมือนเราท่องสูตรคูณเนี่ยท่องอยู่บ่อยๆมันก็ไม่ลืมมันจําได้แต่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่นี้อยู่ที่ว่าจิตมันจะทําตามที่ปัญญาสั่งได้หรือไม่ปัญญารู้ว่าสมุทัยนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้องละแต่ใจมันละได้หรือเปล่าถ้ามันไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขามันละไม่ได้มันเฉยกับความอยากไม่ได้พอความอยากมานี้มันจะต้อง ตอบสนองทันทีเพราะไม่ตอบสนองแล้วมันทรมานมันจะทำให้ใจสัน่นทายใจทรมานจนทนไม่ไหวจึงต้องไปทาตามความอยากกันดังนั้นถ้าไม่อยากถ้าอยากจะฝืนความอยากอยากจะเอาชนะความอยากต้องมาทำใจให้สงบให้ได้ต้องมาฝึกสมาธิมาภาวนาสมถะภาวนานี่เองเพื่อจะทำให้ปัญญาที่เป็นจินตามะยะปัญญา มากลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาต้องอาศัยการมาฝึกสติการที่จะมีอัปปนาสมาธิการที่จะมีอุเบกขาต้องมาฝึกสมาธิการต้องมาฝึกสติและการจะฝึกสติก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่จะมาคอยรบกวนการจเจริญสติก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่บุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ ถ้ามันเข้ามาสัมผัสที่ใจแล้วมันจะทำให้ใจคิดปรุงแต่งไปด้วยแล้วมันจะทำให้การมาหยุดความคิดเพื่อทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิให้เป็นอุเบกขาเนี้ททำได้ยากเรียกว่ากามะฉันทะเป็นอุปสรรเป็นนิวร์นพอมีรูปเสียงกลิ่นรสปรากฏขึ้นมากามฉันทะก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีพอโผล่ขึ้นมามันก็ทำให้ใจฟุ้งขึ้นมาคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรส อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสการที่จะมาฝึกสติพุโทโธพุโทโธก็เลยหายไปหมดคิดถึงแต่ขนมคิดถึงแต่ภา พ, พยนต์คิดถึงแต่เสียงเพลงมันก็เลยไม่สามารถที่จะฝึกสติได้เปีกวิเวกก็อยู่ไม่ได้รู้สึกทรมานใจพเพราะว่าเกิดความอยากขึ้นมาต้องไปเปีกวิเวกเพื่อที่จะได้ไม่ได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วจะได้คอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ ที่จะทำให้ใจสงบก็คืออยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งมีอยู่สี่สิบกรรมฐานเช่นพุทธานุสติก็เป็นอย่างหนึ่งอนาปนาสติก็เป็นอย่างหนึ่งพุทธานุสติก็พุทโธพุทโธทไปอนาปนาสติกก็เวลานั่งหลับตาก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าทามีอะไรให้ทำมีให้ใจเกาะมันก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ พอไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้แล้วอุเบกขาก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นนิโรธชั่วข้าวเป็นการดับทุกข์ชั่วข้าวเพราะตอนนั้นทุกข์ในใจไม่มีเพราะสมุทัยไม่ทำงานสมุทัยถูกหยุดด้วยอานาจของสมาธิ เพียงแต่ว่าสมุทัยมันไม่ตายด้วยอำนาจของสมาธิพอจากสมาธิมาสมุทัยจะต้องมีการปุงแต่งขึ้นมาไปทางความอยากทันทีพออยากปุ๊บทีนี้ต้องมีปัญญามาบอกว่านี่คือความทุกข์นี่คือต้นเหตุของความทุกข์ต้องละให้ได้ถ้าจิตมีกำลังสมาธิมีอุเบกขาพอก็จะละได้แต่อย่างละไม่ได้ก็ต้องพยายามฝึกสมาธิต่อไปถ้ามันมีมากขึ้นเรื่อยๆ พอได้สมาธิครั้งแรกนี้บางทีกำลังมันยังไม่พอพอออกมาปั๊บหายไปหมดเลยต้องพยายามให้มันเข้าสมาธิบ่อยๆมากๆนานๆเข้าทั้งวันทั้งคืนจนจนกระทั่งเวลาอยู่ในสมาธิเรือกออกจากสมาธิมันก็สงบมีอุบเบกขาเท่าๆกันตอนนั้นแหละมันถึงพร้อมที่จะไปสู้กับตันหาความอยากเพราะเกิดตันหาความอยาก ปัปัญญาก็บอกนี่เป็นทุกข์พอปัญญาบอกจิตว่าเป็นทุกข์จิตก็หยุดได้จิตมีอุเบกขาจิตวางเฉยได้จิตเข้าอัปปนาสมาธิไปได้อันนี้แหละเถึงยัดสามารถทำให้ละสมุทัยได้ทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาได้ต้องทำด้วยศีล ส, ส, สมาธิปัญญาต้องพร้อมศีลสมาธิปัญญาต้อง ครบร้อยนั่นเองดังนั้นถ้าเรายังละสมุทัยไม่ได้ยังทําให้นิโรธปรากฏขึ้นมาไม่ได้ยังดับความทุกข์ไม่ได้เราก็ต้องมาเจริญมรรคกันต่อแสดงว่ามรรคคือเครื่องมือยังไม่ครบต้องมาดูว่าศีลเราครบหรือยังเรารักษาศีลได้ตลอดเวลาหรือเปล่าสองสมาธิเราสงบตลอดเวลาหรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าเดินยืนนั่งนอนหรือเปล่า สามปัญญาเราลืมหรือเปล่าลืมลืมมารยาย์หรือเปล่าลืมทุกหรือเปล่าว่าอะไรคือทุกขถ้าเราไม่ลืมแล้วทีนี้เราก็จะพร้อมพอตันหาโผล่ขึ้นมาปั๊บก็จะหยุดมันได้ทันทีไม่ว่าจะมากี่ตัวมันก็จะสู้ปัญญาไม่ได้ปัญญาที่ได้ครบเต็มร้อยแล้วปัญญาที่เป็นภาวนามายปัญญาตลอดเวลา เดินยืนนั่งนอนมีภาวนามายะปัญญากำกับใจแล้วกิเลสตัณหานี้มันจะหายมันจะสู้ไม่ได้ออกมากี่ตัวมันก็จะต้องถูกกาจัดไปหมดจนในที่สุดมันก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่นิโรธก็จะเป็นนิโรธเต็มร้อยขึ้นมานิโรธตอนต้นก็เป็นเป็นที่อตัวสองตัวตามาตามการกาจัดของกิเลสตัณหา กิเลสตันหาตัวนี้ตายนิโรธก็โผล่ขึ้นมาหน่อยกิเลสตัวนั้นตายนิโรธก็โผล่ขึ้นมาอีกนิโรธก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าตันหาที่มีอยู่ในใจถูกกําจัดไปสิ้นหมดสิ้นพอหมดสิ้นแล้วเทนี้นิโรธก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นขึ้นมาพอนิโรธเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นม า, นนนมากิจในอริยาาสัจเศก็สิ้นสุดลงภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้พวกเรามาปฏิบัติ มาทำกันคือมาคันถะทุระวิปัสนาทุระก็สิ้นสุดลงเพราะว่าเหมือนกับพวกดับเพลิงก็ามาดับไฟที่ไหม้พอไฟไหม้หมดแล้วเขาก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมต่อไปหน้าที่เขาเสร็จแล้วเขาดับไฟเสร็จแล้วเขาก็ถอนทัพกลับไปสู่ที่ตั้งของเขาต่อไปอยัในใดการปฏิบัติคันถะทุระวิปัสนาทุระ คือการปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่มันก็จะสิ้นสุดลงเมื่อนิโรธปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยการสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดเต็มร้อยการหมดทุกข์หมดเต็มร้อยมรรคก็หมดหน้าที่ไปศีล ส, สมาธิปัญญาก็หมดหน้าที่ไปการที่เราจะต้องมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามาศึกษามาทําคัมภีรทุเลมาทําวิปัสสนาทุเะเหล่านี้ก็หมดสิ้นไป ไม่มีกิจอะไรจะต้องทำอีกต่อไปนี่คือสถานภาพของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตาสาวกท่านไม่มีกิจอะไรต้องทำนอกจากกิจสมัครเล่นเน้อกกิจที่โปรดสัตว์นั่นเองก็คือสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ได้ทำให้จิตใจของท่านทุกข์้ากขึ้นหรือน้อยลงแต่อย่างใดทุกข์ไม่มีไม่ว่าจะสอนหรือไม่สอน สุกก็ไม่มากขึ้นไม่ว่าจะสอนหรือไม่สอนแต่ที่สอนก็เพราะว่าเห็นคุณค่าของธรรมเห็นประโยชน์ที่จะได้รับแก่ผู้ที่มาศึกษาจะได้ประโยชนอย์อย่างมากมายกายกองเลยจึยงยินดีที่จะทำหน้าที่สั่งสอนพระพุทธเจ้าสั่งสอน45ปีด้วยกันทรงปฏิบัติเพื่อพระ อ, องค์เพียง6ปีฮนะ แต่ต้องมาสั่งสอนมาทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันแต่ท่านก็ยินดีเพราะว่ามันไม่หนักหนาสาหัสไม่เหนือบาฝาแรงเพียงแต่นั่งพูดไปเท่านั้นเองปากเปียกปากฉีกหน่อยเสร็จแล้วก็จบแต่ท่านเห็นว่าประโยชน์บัญทีมันจะได้ผู้ที่จะได้รับนี่มาหาศาลมากก็คือดูพระอาหันตสาวกที่จะไม่มีโอกาสที่เป็นจะเป็นพระอาหันตสาวกได้เลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรง เอาธรรมะที่พระองค์ได้ทรงค้นพบที่มาเผยแผ่สั่งสอนพอมาเผยแผ่สั่งสอนก็มีพระอรหันตสาวกมาเป็นจนํานวนมากและมีมาอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 2,500 กว่าปียังมีการผลิตพระอรหันต์กันอย่างต่อเนื่องมาตลอดและพวกเราผู้ฟังนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ต่อไปในอนาคตก็ได้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 สัพเพบริ่ตสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขเวนัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวทานติอายุวันโนสุขังภาลาอ่าลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเพจถ่ายทอดสดเดอมที่ใช้เพจพระอาจารย์สุชาติพิชาโตตอนนี้เขาระ ง, งับไม่ให้ทํากิจกรรมก็เลยต้องย้ายไปที่คณะสิทธิ์พระอาจารย์สุชาติแล้ววันนี้เห็นบ่กมีเปิดเพจใหม่ ก, กันครับผม ก็ตอนนี้ก็ต้องแชร์ไปทั้งหลายๆเพจด้วยกันนะวันนี้วันนี้หายทอดสดเพจใหม่ครับผมที่เป็นเพจชื่อว่าพระอาจารย์สุชาติพิชาโตแต่พระอาจารย์เป็นตยอ่อครับเป็นพอจรอา จ, จารย์สุชาติอพิชาโตครับอันนี้เป็นเพจใหม่แต่ช่วยช่วยแชร์ไปเพจเก่าด้วยนะเพราะคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้รู้ก็จะได้มีทางเลือกหลายๆทางหน่อย แต่เพจที่เคยเข้าประจำส่วนใหญ่ที่เป็นพระอาจารย์สุชาพิชาโตเขาบอกว่ามีแอดมินหลายคนเขาเลยไม่รู้ว่าถูกคนอื่นแปกปลอมเข้ามาหรือเปล่าเขาเลยระ ง, งับการใช้งานเพราะเรามีทีมงานหลายคนต้องช่วยกันโพสหลายอย่างธรรมะบนเขาธรรมะโดนใจ ธรรมะอะไรแต่ละคนมันหลายคนช่วยกันแล้วไหนมีเอ็มพีสามดาวโหลดมีอะไรงั้นมีทั้งภาษาอังกฤษมีเดี๋ยวเดียวมีทั้งภาษาอังกฤษด้วยแล้วทุกคนก็มีพาสเวิร์ดเวลาล็อกอินเข้ามาก็ล็อกอินจากหลายที่คนที่เขาดูแลเขาก็เลยคิดว่าเพจเราถูกถูกถูกแฮ ก, ก, กถูกใครลักลอบเข้ามา ทำอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยงับไม่ให้ทํากิจกรรมแต่ตอนนี้ก็ลองพยายามพูดกับเขาอธิบายเขาฟังว่ามันเรามีหลายคนช่วยงานกันว่าไม่มีใครถูกแฮกแล้วเพราะว่าอันนี้เว็บไซต์นี้มันไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่ได้ทําเงินไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่เผยแผ่ธรรมะเดี๋ยวถ้าเขาเข้าใจก็อาจจะกลับมาใช้เพจเดิมได้เพราะเพจเดิมตอนนี้มีผู้ติดตามเกือบแสนเก้าแล้ว แปดกว่าถ้ามาเริ่มต้นใหม่ก็ต้องมานับหนึ่งใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เพลงแต่ถ้ารักษาเพจเก่าได้มันก็สะดวกกับคนที่เขาเคยติดตามให้เขาเคยรู้อยู่เพราะนั้นบางทีเขาก็งง อ, อว่าตอนนี้หายไปไหนแล้วงัออ้นก็ขอแจ้งให้ทราบว่าดี๋างนี้มีมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็พยายามที่จะแชร์ไปตามเพจต่างๆ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook, เฟซบุ๊กเพจใหม่ครับผมมีคนเข้ามาทั้งหมดหนึ่งร้อยสาสิบแปดคน y o u t u สองร้อยสามสิบเจดคนวิทยุออนไลน์สาสิบเอ็ดคนผูแลฟังบนเขาหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนรวมทั้งหมด5้าร้อยสสิบปดคนครับผมโอเคนลดลงเลยธรรมดาหกเจ็ดร้อยบางคนเก้าบางทีเข้าไม่ได้ไม่รู้จะเข้าที่ไหนแต่ เ, เดี๋ยวก็คงจะปรับตัวกันเองเออ อตอนนี้มีผู้อยากจะถามปัญหาส่งไมโครโฟนไปให้เขาหน่อยพูดใกล้ๆปากเลยนะจะได้เสียงดังกับนักศึกษาอาจารย์ครับก็พอดีมีข้อสงสัยนะครับพอดีแต่ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องธรรมะแต่แค่คิดคิดเล่นๆระหว่างที่ท่านเทศเมื่อกี้คือว่าท่าน เ, เหมือนเทศคล้ยๆว่า เ, เราไม่ควรมีอะไรเราเหมือนเราคล้ายๆว่าควรที่จะ ผมขอใช้ภาษาอังกฤษคือเหมือนคล้ายๆ Prepare for the worst or the time แต่ในมุมมองหนึ่งผมก็เหมือนคิดว่าอย่างเช่นในอเมริกามันก็จะมีบางคนบางกลุ่มที่เหมือนกับคล้ายๆว่าอยู่เพื่อรอวันสิ้นโลกมันแต่ว่ามันจะมีวิธีไหมที่ว่าเราอยู่เพื่อเราอยู่เหมือนกับเหมือนมุมมองผมก็เหมือนอยู่เพื่ออยู่แต่ไม่ได้อยู่เพื่ออยู่เพื่อจะวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับ เพื่อแพ้เพื่อเพเตรียมวันสุดท้ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้บอกให้เตรียมวันสุดท้ายเพียงแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมไว้ทุกวันอ่ะทั้งวันสุดท้ายทั้งวันไม่สุดท้ายวันไม่สุดท้ายเราก็อยู่ของเราไปทําอะไรไปมีความสุขของเราได้แต่เราก็ต้องรู้ว่ามันต้องมีวันสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมเตรียมตัวสําหรับวันสุดท้ายกันพอเจอวันสุดท้ายกันก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจกันอันนี้ต่างหาไม่ได้หมายความว่า ทั้งชีวิตนี้จะให้ไปคิดอยู่ถึงวันสุดท้ายทุกวันทุกเวลาเพื่อเตรียมตัวอยู่แบบวันสุดท้ายไม่ใช่เราก็อยู่แบบตามปกติของเราเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วมันไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ด้วยวันสุดท้ายไม่ได้หมายความว่า5 0ปีถึงจะเกิดอาจจะเกิดทุ่งนี้ก็ได้อาจจะเกิดเย็นนี้ก็ได้ ตอนนี้มีญาติของแอดมินคนหนึ่งก็เพิ่งเสียไปเมื่อเช้านี้ตีห้าพี่ชายเขาพี่ชายคุณบอยที่มาทำการถอยแผลธรรมะให้ก็อายุยังไม่มากอายุแค่ห้าสิบเมื่อห้าสิบหกสิบไม่ถึงหกสิบเท่าที่จำได้ก็เป็นมะเร็งมะเร็งมันขยายไปหมดหมอบอกรักษาไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ เวลามันเกิดถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนมันก็จะไม่เสียหลักเพราะใจเรานี้สามารถไม่ทุกข์กับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ถ้าเรารู้จักวิธเีเสริมพลังเสริมกำลังให้กับจิตใจให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะทำให้ใจเราเสียหลักได้อันนี้ก็เพียงแต่เป็นเหมือนทหารเนี่ยทหารก็ต้องซ้อมรบอยู่เรื่อยๆไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสู้รบกันทุกวันที่ไหน แก็ต้องคอยซ้อมต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีค้า ศ, ศึกศัตรูมาลุกรานเมื่อไหร่นั่นเองนะชีวิตของเราเราก็มีความทุกข์ที่จะมาลุกรานเราอยู่เนี่ยอย่างที่แสดงให้ฟังคือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาคจากกันเนี้ยมันจะคอยมาบุกลุกเราอยู่เรื่อยๆบางทีมันก็ลุกแบบเบาๆเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรทุกวันนี้เราก็สูญเสียพัดภาคจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไป แต่เนื่องจากว่าเราสามารถหาใหม่มาทดแทนได้เราก็เลยไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ถ้าเราไปสูญเสียสิ่งที่เราทดแทนไม่ได้ตอนนั้นเราถึงจะรู้สึกเดือดร้อนเกิดวันดีค ด, ดีตาข้างหนึ่งบอดไปเนี่ยหรือตาตข้างหนึ่งเสียไปเนี่ยมันจะทำไงใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเสริมพลังให้กับใจใจจะสามารถรับกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้โดยที่ไม่เดือดร้อน อยู่กัมันต่อไปได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อเสริมกําลังให้กับจิตใจซ้อมลบให้กับจิตใจเพื่อเวลาเกิดความทุกข์เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดสงครามจิตใจขึ้นมาจะได้ผ่านไปได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจ พอเสริมกาลังเสร็จแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปคิดถึงวันสุดท้ายคิดถึงอะไรแล้วถ้าใจมันพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ทุกอย่างได้มันก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วอยู่แบบไม่มีวันพวกนี้อยู่กับแค่ปัจจุบันอยู่แค่วันต่อวันไม่ไม่กังวลกับอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรับกับมันได้ทุกอย่างะถามต่อได้เลย มีคำถามจากยู u b e นะคะจากคุณพัชรวัฒน์ประเสริฐชัยกูลกราบนมัสการพระอาจารย์ผมเรียนสอบถามว่าเวลาผมนั่งเจริญภาวนามักจะเปิดฟังบทเจริญพระพุทธมนตของการทำวัดเช้าเย็นค่ำขณะที่ผมนั่งเจริญภาวนาจะบาปไหมครับ เพราะไม่ได้พนมมือครับกราบนมัส ก, การพระอาจารย์อ๋อการพนมมือไม่พนมมือนี้ไม่บาปหรอกโดยถ้าเราอยู่คนเดียวทำของเราตามลำพังถ้าเราไปทำร่วมกับผู้อื่นถ้าเขาพนมมือเราก็ต้องพนมมือตามเพื่อไม่เสียมาระยาทแต่การพนมมือไม่พนมมือนี้ไม่ได้เป็นการเคารพหรือไม่เคารพเพราะทางสายปฏิบัติเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ต้องพนมมือกัน สิ่งที่สำคัญต้องพนมก็คือสติพนมใจต้องมีสติคอยพนมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ให้มีสติกำกับคอยฟังเทศเพียงอย่างเดียวอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าฟังด้วยความเข้าลกแต่ไม่ต้องพนมมือแต่ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เขาพนมมือกันเราก็ควรจะทาตามเขาไปเดี๋ยวเราจะกลายเป็นแกะดำไป มีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนรรมสการเรียนถามพระอาจารย์ครับสี่ข้อหนึ่งแม้เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาแต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่บางครั้งก็คิดไม่สบายใจอยู่เราจะมีวิธีคิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์ใจและไม่เป็นบาปครับเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อสัตว์แล้วเนื้อสัตว์ ที่ตายกับผักที่ที่ตายที่เรามากิ น, นเหมือนกันมันเป็นวัตถุเป็นธาตุทำมาจากธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับกินผักนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นผักอีกชนิดหนึ่งผักที่ผ่านมาทางทางทางสัตว์แต่สัตว์ที่มันตายไปแล้วเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วนี้มันก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวอะไรเหมือนกับ ผักที่เรากินมันก็ไม่รู้สึกมีความเจ็บปวดใจอย่างใดเพะฉะั้นกินผักหรือกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมันก็เหมือนกันอย่าไปกินตอนที่มันไม่ตายก็แล้วกันอย่าไปดูดเลือดมันอย่าไปกินแบบสดๆเนี่ยอถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันบาปเพราะมันเจ็บปวดทรมานถ้ามันยังไม่ตายแล้วเราก็ต้องอย่าไปทําให้มันตายด้วยตัวเราเองหรือสั่งให้คนอื่นทําให้เรา ถ้าสั่งเขาทำหรือทำเองให้เขาตายนี่ก็บาปแต่ถ้ามันตายอยู่แล้วเช่นเราไปตลาดมีของตายวางไว้บนแผงอยากจะซื้อผักซื้อเนื้อมันก็เหมือนกันมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำนุมไฟเหมือนกันมีคำถามจากคุณคุณน้อยนะคะแกรบนมัสการเจ้าค่ะขอถามเรื่องการปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าสมาธิจิตสงบดีแล้ว เห็นแต่อารมณ์ต่างๆภายในจิตเช่นอารมณ์ชอบใจพอใจจิตจะมีความพองฟูแต่กำหนดรู้แล้วปล่อยวางจะทำให้เบาเหมือนปุยนุ่นเมื่อสิ่งมากระทบที่ไม่ชอบใจนั้นจิตจะยึดติดไว้เหมือนตังเมติดเส้นผมหนักและเหนียวแก่ออกยากมากๆพอกำหนดอารมณ์ไม่ได้จะวิ่งขึ้นมาที่ศีรษะหนักอึ้ง ต้องกําหนดดูแล้วปล่อยวางจึงโล่งใจเบาใจเป็นอย่างนี้ทุกวันขั้นตอนที่หลวงพ่อสอนให้นั่งสมาธิให้ภาวนาพุทโธพุทโธนี้เพื่อให้นั่งดูอารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ให้ดูพุทโธไม่ให้ไปดูอะไรนั่งให้ดูพุทโธอย่างเดียวนั่งไม่เป็นเนี่ยพอนั่งพุทโธสังคมแล้วก็ไปดูอารมณ์ต่างๆ นั่งแบบนี้นั่งไปจนวันตายก็ไม่มีทางที่จะสงบนั่งนี้ไม่ใช่นั่งแบบนี้ไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิเป็นการนั่งดูอารมณ์ซึ่งไม่มีประโยชน์เพราะว่าเรายังไม่มีกำลังที่จะไปควบคุมอารมณ์ได้การนั่งนี้เราต้องการควบคุมใจควบคุมอารมณ์ให้นิ่งให้สงบอารมณ์จะสงบได้ก็ต้องมีสติต้องอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียว พอเริ่มนั่งหลับตาพุทโธแล้วอย่าทิ้งพุทโธไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมาในใจอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้แต่อย่าทิ้งพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปบางทีถ้าอยากจะเร็วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปได้ช้าเร็วไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งพุทโธอยู่กับพุทโธไปจนกว่าจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งแล้วมันจะหยุดพุทโธไปเอง แล้วทุกอย่างจะนิ่งสงบหมดไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมามีแต่ความว่างมีแต่ความสุขเออันนั้นน่ะคือเป้าหมายของการปฏิบัติสมาธิให้จิตเข้าสู่ความนิ่งสงบเข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมิไม่ใช่ให้นั่งดูอารมณ์แล้วก็ไปแก้อารมณ์ดึงกันไปดึงกันมาอันนั้นไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิ คำถามต่อไปจากคุณปัญญีแก้วรักษากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเวลานั่งสมาธิความคิดต่างๆมาเยอะไปหมด <c oughs> ก็เลยกลั้นหายใจจะได้ไม่คิดทำแบบนี้จะได้จะได้จะมีผลเสียกับการดูลมหายใจหรือเปล่าเจ้าค ะ, ะแล้วมันหยุดความคิดได้หรือเปล่าล่ะไปกั้นหายใจมันหยุดไม่ได้หรอก ความคิดมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความคิดมันอยู่ที่ใจจะหายใจไม่หายใจมันก็ยังคิดได้จะให้ความคิดหยุดมันต้องใช้สติหยุดมันต้องพุโทโธพุทโธพุทโธไปถ้าดูลมไม่ได้ก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุทโธไปถ้าพุโทโธยังไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนแข่งกับความคิดแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะเบาลงน้อยลงแล้วก็หายไปแล้วตอนนั้นค่อยกลับมาดูลมต่อก็ได้ แต่อย่าไปกั้นหายใจอย่าไปบังคับลมหายใจอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีทำใจให้นิ่งให้สงบกับทำใจให้ต้องทำงานเวลากั้นหายใจนี้ใจต้องเป็นผู้สั่งเป็นคู่สั่งให้ร่างกายกั้นหายใจใจก็ต้องทำงานเมื่อทำงานนั่งไปก็ไม่มีวันสงบไม่มีวันที่จะเป็นสมาธิได้ยิ่นี้อย่าไปกั้นหายใจให้กั้นความคิดหยุดความคิดด้วยการใช้พุโทโธ พุโทโธไม่อยู่ก็เอาสวดมนต์ไปก่อนสวดบทที่เราจำได้เอติปิโสก็ได้สวดไปได้หลายจบสวดไปจกนกระทั่งความคิดมันหายไปหรือหยุดไปแล้วเราเค่อยมาดูลมหายใจต่อคำถามต่อไปจากคุณนัฐธการนุชแก้วมากราบในมัสการพระอาจารย์ค่ะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้น เช่นกายเบาตัวเบาเวลาก้าวเดินเหมือนตัวจะลอยอาการแบบนี้เรียกว่าสมาธิหรือปีติเจ้าคะอ๋อยังเรายังเป็นแค่จิตเริ่มมีความว่างความความความสงบบ้างแต่ยังไม่ถึงสงบแบบสมาธิจิตเบาลงเพราะความคิดบุงแต่งที่ทำให้จิตรู้สึกหนักมันหายไปเคยหนัก อ, อกหนักใจพอเราอยู่กับพุทโธพุทโธเรื่องข้ทิน ทำให้เราหนักอกหนักใจมันก็หายไปมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเบาขึ้นแต่ ย, ยังไม่เป็นสมาธิยังไม่เป็นปิติจะเป็นอะไรก็ไม่สาคัญขอให้มันรู้สึกดีก็แล้วกันให้มันรู้สึกเบาสบายใจดีกว่าหนักอกหนักใจแต่ ย, ยังไม่ถึงถึงจุดที่เราต้องการไปต้องพยายามฝึกสติต่อไปให้มีสติอยู่กับใจไปเรื่อยๆแล้วมันจะเบาขึ้นเบาขึ้น จนกระทั่งมันว่างมันหายไปทุกอย่างหายไปหมดจิตก็สงบแล้วถ้าเกิดอาการขนลุกขึ้นมาน้ำตาไหลขึ้นมาถึ่าะเรียกว่าเป็นปิติหมดได้เลยโอเคหมดหน้ก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้อ้าวมีคำถามต่อเพราะช่วงนี้คนยังเข้ามาไม่มากพอพราคนเคยถาม หาทางเข้าไม่ได้กลับน้ำมัสกายครับอาจารย์พอดีพูดดังๆับถามแทนก็มีคำถามก็คือว่าสมมติเราคือการปฏิบัติเยอะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็มีหน้าที่การงานหรือว่ามีอะไรอื่นๆที่เราต้องทำอย่างเงี้ยครับในทางโลกอาจารย์มองว่าการที่สมมติ ให้คำแนะนํากับเหมือนกับคนที่เหมือนกับไม่ได้อยู่เหมือนกับบวชเป็นพระอางเงี้ยครับในการที่จะแบ่งเวลาหรือในการที่<ห>จะทำยังไงให้เหมือนกับเตรียมความพร้อมอย่างที่พระอาจารย์พูดครับที่เหมาะเหมาะที่มุมมองภราจารยคิดว่าเหมาะสมครับ <c oughs> ก็แล้วเวลาก็เป็นเหมือนเงินรับเวลาเราใช้เงินเราก็เลือกใช้ใช่ไหมว่าเราจะไปซื้ออะไรดี <c oughs> เราจะไปเที่ยวไปซื้อกระเป๋าไปซื้อรองเท้าไปซื้อยาหรือไปซื้ออะไรเราก็เลือกตาม ตามกำลังของเงินที่เรามีอยู่เวลาของเราก็เหมือนกันเวลาของเราก็มีเวลาที่เราต้องใช้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปใช้กับสิ่งไหนดีจะเลือกระหว่างดูละครกับนั่งสมาธิจะเอาอันไหนจะเลือกระหว่างไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงกับไปอยู่วัดจะเอาอย่างไหนมันก็เป็นเวลาที่เราต้องเลือกเอานั้นเอง แต่บางอย่างเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องทำเช่นทำมาหากินเลือกไม่ได้อันนั้นต้องไปทำงานก็ต้องไปแต่เวลาอื่นที่เราเลือกได้เราก็เลือกสิว่าจะเอาไปใช้ทางไหนดีจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงหรือจะไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดไปนั่งสมาธิอันนี้เราเลือกได้มีทางเลือกอยู่มีคาถามเข้ามาไหมยังไม่มีใช่ไหม ไม่มีก็คิดว่าเอาเคราวนี้ก่อนก่ อ, อให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ